อนาปติวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ 5701. ้ิภิกษุเอาสันผัดเก่าหนึ่งเครือบสุขคตโดยรอบมาทำสองภิกษุหาสันผัดเก่าไม่ได้จึงเอาแต่น้อยมาทํา 3. ภิกษุหาสันผัดเก่าไม่ได้เลยไม่เอามาทํา 4. ่ภิกษุได้สรรผัดที่ปูนทําไว้มาใช้สอย5้ภิกษุทําเป็นเพดานเครื่องราดพื้นม่านเกลือกคู่หรือ ภิกษุวิกลจริต7ภิกษุต้นบัญญัติ น, นตี่สีธนสันตตะสิขาบทที่5จบ